เทศอบรมเมื่อวันที่7วิถุนายนพศ2555ณวัดป่าบันตาจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปโนส่วนจะถูกหรือผิดอย่างในนั้นขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงไก่กรองตามหลักแห่งเหตุผล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 เป็นสภาพที่มีอยู่ทั่วไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายพระองค์เจ้าได้ทรงออกพนวดก็เพราะหลักแห่งธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมะล้นล้วนได้เตือนพระไถ่ของพระองค์แล้วเสด็จออกพนวดบามเพนพระองค์เป็นคนขอถามเหมือนอย่างธรรมดาชาวโลกสงสารทั้งหลาย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 จึงไม่มีใครๆที่จะต้องสนใจในพระองค์จะพยายามบำรุงบำเรอตามอุปถากรักษาพระองค์เจ้าให้ทรงได้รับความสุขในทางส่วนแห่งร่างกายมีความเป็นกษัตริย์ที่จะลดพระพิธิมานะลงถึงขนาดเป็นคนขอทานแล้วก็อยู่ด้วยความสุขสบายเพราะแห่งการลดพธิธิมานะอย่างนั้นเนื่องจากพระองค์เจ้าได้ทรงเห็น หลักธรรมซึ่งเป็นธรรมชาติได้เตือนพระไทยของพระองค์แล้วบำเพ็ญพระองค์เจ้าให้เป็นไปในหลักแห่งธรรมที่เป็นธรรมชาติขอสรุปใ้ความว่าหกปีพระองค์เจ้าได้ทรงตรัสรู้พระานุสตระสัมมาสัมโธุทัยนี่แสดงว่าพระองค์เจ้าได้เป็นโลกบิทู รู้โลกทั้งเป็นโลกนอกทั้งเป็นโลกในกว้างแคบโดยตลอดทั่วถึงไม่มีอนไรที่จะลี้รับในโลกกถาตันนี้ว่าพระองค์เจ้าจะไม่สามารถอย่างทราบโดยพระญาณหรือโดยพระปัญญาแม้ที่สุดในพระทัยของพระองค์เจ้าที่มีอะไรเครือบแฝงอยู่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 มากระทบกระเทือนในทางตาทางหูทางชมูกทางลิ้นทางกายจึงเป็นสิ่งที่ตกติดความรู้อันนั้นเป็นเหตุที่จะให้ความรู้นั่นซุ่มซ่อนดูตามรูปเสียงกิ่นยานั่นไปเสียจึงไม่สามารถที่จะพิจิิพิจารณาในความรู้ของตนว่าหนักเบาไปในแง่ไหน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 ด้วยอำนาจแห่งพระสติที่พระองค์เจ้าทรงตั้งไว้แล้วด้วยดีความรู้อันนี้ก็ปรากฏเด่นขึ้นโดยลำหนักความรู้ที่เด่นขึ้นนี้จะเด่นขึ้นทางทางดีก็ทราบชัดจะเด่นขึ้นทางที่ชั่วก็ทราบชัดเมื่อจะเด่นขึ้นในทางไหนซึ่งเป็นไปในทางที่จะทําให้พระองค์เจ้าเสียหายหรือเป็นไปในทางให้มัวหมองภายในใจิตใจพระองค์ก็พยายามชําระซักพอก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 เราจะพิจารณาอันใดก็ไม่ชัดเจนแม้จะพิจารณาให้เป็นทางปัญญาก็กลายเป็นทางสัญญาไปเสียโดยมากสัญญานี้หมายถึงว่าสัญญาที่จะให้ก่อเหตุเป็นเรื่องสมัมผัสไทยสังสมี่เลดขึ้นภายในใจเพราะเหตุแห่งความรู้ความเห็นที่มาผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนเองเมื่อใจได้รับความสงบแล้วเราจะพิจารณาไก่กรองอันใดก็เห็นทัด เช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งจะมองดูต้นไม้ดูอะไรก็ตามในทางสองภาคทางย่อมมาเห็นชัดต่อเมื่อเราได้หยุดวิ่งเสียการใดเราจะมองดูสิ่งใดก็เห็นชัดเรื่องของจิตที่ไม่มีความสงบจกพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายก็มาเห็นชัดเช่นเดียวกับบุคคลที่กำลังวิ่งต่อเมื่อจิตได้รับความสงบแล้ว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 จะปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาในขณะนั้นถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเมื่อความสุขได้ปรากฏเพราะเหตุแห่งความสงบแล้วเราก็มีช่องทางที่จะพิจารณาในทางปัญญาคำว่าปัญญาหมายถึงความสอบตองหรือหมายถึงความเ ย, ายียดพายออกจากใจอันเดียวกัน สัญญาคือความจาสัญญาคือความที่คลายในสิ่งที่ตนจดจาไว้นั้นเช่นเดียวกับเรามัดไม้หรืออะไรไว้จะเป็นหลายสิ่งหลายแขนงก็ตามรวมกันไว้สัญญาเช่นเดียวกับตอกหรือลวดที่เรามัดไม้เป็นกำนั้นไว้ ปัญญาเป็นผู้ขี่คลายดูไม้ที่เรามัดไว้นั้นให้เห็นว่ามีกี่ชิ้นด้วยกันและมีไม้อะไรด้วยชื่อว่าอะไรด้วยให้ได้เห็นความชัดเจนในไม้นั้นมีข้อนี้ก็ฉันนั่นเหมือนกันเรื่องของปัญญาจริงเป็นธรรมชาติที่จะต้องขี่คลายดูสภาวธรรมซึ่งเป็นของมี อ, อยู่ในตัวของเราว่าสมาธิทําใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็น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 จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนี่เรียกว่าอุปจารสมาธิส่วนอัปปนาสมาธิหาถึงจิตที่อย่างลงแล้วมีความสงบอย่างเต็มที่และรวมอยู่ได้เป็นเวลานานๆคำว่า ป, ปนาสมาธินี้ก็มีการมีความกว้างขวางมา ก, กจิตรวมอยู่ได้นานด้วย จนมีความชำนิชำนาญต้องการเวลาใดให้หยุดให้รวมเวลาใดเวลาใดได้ตามความต้องการด้วยนีเรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่เราผู้ที่จะกำหนดพิจารณาในทางปัญญานั้นไม่จาเป็นจะต้องทำจิตทั้งเราให้ถึงกับขั้นอัปปนาสมาธิแล้วจึงจะต้องพิจารณาในทางปัญญาเรื่องของสมาธิคือความสงบจะสงบมากน้อยเท่าไหร่พงทราบว่าเป็นบาดแห่งยิปัชนาคือปัญญา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 วันหน้าเราก็พิจนารณาอนิจจังทุกขังอัตตากลกองอยู่เช่นนี้ทุกวันทุกคืนไปความทํานานไม่ต้องว่าในเพียงขั้นสมาธิที่เราทําหลายครั้งชํานาญขึ้นมาเรื่องของปัญญาก็ต้องมีความคล่องแคล่วหรือชานานเช่นเดียวกันกับทางสมาธิปัญญาในเบื้องต้นที่เราจะพิจนารณาก็ต้องอาศัยการบังคับบัญชาพิจนารณาอยู่บ้าง ไม่ใช่ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาทีเดียวเบื้องต้นต้องอาศัยการบางังคับบัญชาให้พิจารณาเมื่อจิตเราได้พิจารณาในทางไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอาตาซึ่งเป็นของที่มีเต็มอยู่ภายในกายในจิตของเรานี่แลเราจะค่อยมีความคล่องแคล่วหรือมีความสว่าง แค่การแจง้งในทางจิตใจของเราโดยทางปัญญาเป็นลํำดับไปส่วนที่หยาบจะเป็นไตรลักษณ์ที่หยาบก็จะได้เห็นโดยทางปัญญาเป็นไตรลักษณ์ที่ส่วนปานกลางก็จะได้เห็นในทางปัญญาไตรลักษณ์ที่ละเอียดก็จะเห็นในทางปัญญาคําว่าไตรลักษณ์ที่หยาบที่กลางที่ละเอียดนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องการพิจารณา เป็นอย่างเราคิดจินนาในส่วนร่างกายของเราจัดว่าเป็นไตรลักษณ์ส่วนหยาบพิจรารณาในเวทนาสัญญาสังขารมินอยากจัดเป็นไตรลักษณ์ส่วนกลางพิจรารณาถึงเรื่องจิตซึ่งเป็นรากเง้าแห่งมตตจริงๆแล้วนั่นคือไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ ไตรลักษณ์ส่วนอยากไตรลักษณ์ส่วนกลางไตรลักษณ์ส่วนละเอียดที่สุดจนกระทั่งได้ผ่านพ้นไตรลักษณ์ทั้งสามนี้ไปแล้วง้มจึงจะหมดเขตแดนของไตรลักษณ์ธรรมชาติที่หมดเขตแดนของไตรลักษณ์เท่านั้นจะเรียกว่าอัต t าก็าตามจะเรียกว่าอนาตาัตา tago ตาม ไม่ใช่ทั้งนั้นเพราะอัตรากับอัตาเป็นเรื่องของสมมตุติซึ่งโลกทั้งหลายก็มีอยู่ด้วยกันธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่สมมตุติโลกทั้งหลายจึงเอื้อมถึงไม่ยากในเมื่อมีอัตราและอัตราเป็นเครื่องเคลือบแฝงอยู่ในสองภาคทางองสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้พิจารณาในสภาว่าทั้งหลายในไตรลักษ์ส่วนยาส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียด เห็นประจักษ์แจ่มแจ้งในพระทยของพระองค์เจ้าแล้วการใดการนั้นแลพระองค์เจ้าจึงได้เตรงยมพระวจาะของพระองค์เจ้าสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีเด่นจักรีเป็นต้นและจึงได้เตรงอุทานในพระองค์เจ้าว่าเราทั้งหลายได้พ <ss ort> ้นจากทุกข์ได้พ้นจากสังสารวัฏแล้วและได้ประกาศพระองค์ว่าเป็นศาสดาของโลกทั้งหลาย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 เราก็ต้องดําเนินไปตามแนวทางที่พระองค์เจ้าทรงพิจารณาและทรงรู้เห็นไปโดยลําดับลาดับนี้คำว่าตรายรกัณทั้งสามด้วยคืออนิจจังทุกขังอาตาและตรายรกัณทั้งสามชั้นด้วยคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดพึงทราบว่ามีอยู่ในตัวของเราในใจของเราทุกๆ ท, ท่านไม่มีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวและสามกก องพระค์ท่านเท่านั้พิ่งทราบว่าเราทั้งหลายเวลานี้กําลังเป็นผู้เรียกว่าเป็นภาชนะที่สมบูรณ์อยู่แล้วที่จะสามารถพิจนารณาในสภาวะที่อธิบายมานี้ให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในตัวของเราซึ่งเรียกว่าธรรมะซึ่งเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่ตั้งแต่วันเราเข้าสู่ปฏิสนธิมาเป็นลาดับจนกระทั่งถึงวันนี้ องสมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าท่านพิจารณาสภาวธรรมทั้งหลายไม่ได้ไปค้นหาที่ไหนทำทั้งหลายมีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์พระองค์เจ้าได้พิจารณาตามหลักธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามหลักแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในจนหายความสงสัยหรือข้องแ ท, ท้ทุกทุกชิ้นแล้วจึงได้ประกาศองค์ของพระองค์ว่า เป็นผู้ที่สิ้นแล้วจักสังสรารจักคือความหมุนเย็ยนเปลี่ยนแปลงได้จากความเกิดแก่เกิบตายทั้งหลายเหล่านี้เราซึ่งเป็นพุทธบริษัทของพระองค์เจ้าก็โปรดได้พิจารณาถึงสภาวธรรมซึ่งมีอยู่ในตัวขางลราและเราอย่าไปคำหนึ่งมากเกินไปว่าเราไม่มีศีลจะบำเพ็ญสมาธิให้เป็นไปไม่ได้ เราไม่มีสมาธิจะบำเพ็ญปัญญาให้เป็นไปไม่ได้อย่างนี้ถึงทราบว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่สัมพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับหัวใจของท่านผู้ที่ตั้งใจด้วยกันทุกๆ ท, ท่านศีลหมายถึงปกติความเป็นปกติของใจในปัจจุบันนั้นปรากฏเป็นศีลขึ้นมาแล้ว ความสงบของใจในขณะที่กําลังพิจารณาหรือภาวนาอยู่นั้นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วความที่เราพิจารณาไตราตรองถึงหลักธรรมชาติคือตรลักษณ์ที่มีอยู่ทั่วสัณฐ า, านร่างกายและจิตใจของเรานี้จะเป็นการใดสมัยใดก็ตามถึิ่งทราบว่าปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราแล้ว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 จะปรากฏขึ้นที่นี่เราอยากเข้าใจว่าเราเป็นหญิงไม่สามารถจะบำเพ็ญสมรรธรรมเมื่อคุณงามความดีมีมรรคผลนิพพานที่เราต้องการว่าจะไม่เกิดขึ้นในตัวของเราถ้าเราคิดเช่นนั้นเป็นความคิดติดนั่นหรอกองค์แห่งอริยสัจจะทำทั้งสี่ไม่ได้นิยมว่านี้คือหญิงนั่นคือชายมีอยู่ในจัจจะสังขาร บรรดาที่มียิญญาณกรองทั่วไปเมื่อผู้ใดมีปัญญาพิจารณาถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้งสีน่นี้ถึงทราบว่าผู้นั้นเองเป็นผู้กําลังก้าวหรือกําลังดําเนินที่จะเดินตามพระองค์เจ้าเป็นลําดับไปอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้คืออะไรทุกข์สมุทยัยนิโรธมร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 เราจะอยู่ในที่มืดกว่าตามอยู่ในที่แก้งกว่าตามจะปรากฏในกายในใจของเราเสมอไปว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่ทันเรียกว่าอริยสัจจะทำให้เราทั้งหลายได้กำหนดพิจารณาเรื่องการพิจารณากองทุกข์นี้นั้นเราไม่ได้หมายว่าจะเอาทุกข์อันนี้มาเป็นสมบัติของเราแต่ถ้าเราไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์เรากม็มีอุบายปัญญาที่จะ รู้รอบรอบหรือหายสงสัยในทุกก็จะตึงความผัวพันภายนจิตใจหรือเป็นอารมณ์ภานจิตใจของเราว่าเราทั้งตัวนี้เป็นหรือว่าทุกทั้งหมดนี้เป็นตัวของเราการที่เราพิจารณาทุกขให้มันเห็นชัดจนแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วคําว่าเรากับทุกนั้นจะแยกกันออกโดยที่เราไม่ต้องคาดหมายเอาไว้จะได้เห็นว่าทุกนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากเราผูรู้ และในขณะเดียวกันเราผู้รู้ในสุขก็ดีในทุกก็ดีก็จะเห็นว่าเป็นสภาพอันหนึง่งจากสุขหรือทุกอันนั้นนี่การพิจารณาทุกมีความแยกขายหรือความรอบคอบอย่างนี้เป็นเหตุที่จะให้ปล่อยวางความกังวลในทุกขหรือแยกความเป็นทุกขนั้นออกจากตัวของเราได้โดยเห็นว่าทุกนั้นเป็นของจริงอันหนึง่งธรรมชาติที่รู้ว่าทุกข์คือใจนี้ก็เป็นของจริงอันหนึง่งจะไม่ได้มีความสับสนสนเต ถือทุกนั้นว่าเป็นเราถือเราว่าเป็นทุกแม้ทุกจะปรากฏขึ้นในทางกายเราก็เห็นว่าเป็นสภาพอันหนึ่งซึ่งนอกไปจากความรู้ของเราไม่ใช่เราี่ยิ่งเข้าไปภายในคือทุกทางกาจก็อีกเช่นเดียวกันเมื่อเราพิจารณาใยทางปัญญาส่วนละเอียดแล้วทุกที่เป็นอยู่ภายในใจของเราก็จะค่อยหมดไปหมดไปจริยาที่เราพิจารณาทุกอย่างนี้เรียกว่า เราได้ดําเนินมาไปในตัวแล้วเพราะการพิจารณาถ้าเราไม่ใช้ปัญญาเราจะอะไรมาพิจารณาเราการไก่กลองหรือพิจารณาทุกตั้งใจดูทุกกําหนดรู้ทุกตั้งสติดูทุกล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของมรคือเรื่องของสีเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาทั้งนั้ น, นการพิจารณาทุกข์ก็ดี การพิจารณาทุก์ก็เป็นอเนัตริยท่านหนึ่งเมื่อเราพิจารณาเห็นเรื่องของทุกแล้วเป็นเหตุที่เราจะค้นดูว่าเหตุที่ให้เกิดทุกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเช่นอย่างเราเสียใจในขณะที่เราประสบสิ่งที่เราไม่ปรารถนาอย่างนี้เกิดความเสียใจขึ้นมาหรือมีใครมากระทบกระเทือนเรา โดยกิริยามารยาทส่วนใดที่เราไม่ต้องการก็เกิดความเสียใจขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุให้เราได้พิจารณาถึงเรื่องตัวเหตุนี้ว่าเกิดขึ้นมาเพราะเหตุใดจิตต้องรับความทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราจะพยายามถอนสมุทยัยอยู่ในขณะเดียวกันนั้นแล้วเมื่อเราได้พิจารณาถึงเรื่องทุกเรื่องสมุทยัยโดยมัก คือสมาธิกับปัญญาคาว่านิโรธะคือความจะเจี่ยมแก่งเป็นลาดับไปนั้นก็เป็นเงาตามตัวอีกเช่นเดียวกันแล้วพึงทราบว่าทุกก็มีหลายชั้นสมุทัยก็มีหลายชั้นมรรคก็มีหลายชั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนิโรธะก็เป็นเช่นเดียวกันทุกส่วนหยาบดับไปแสดงว่านิโรธะส่วนส่วนหยาบได้เพิ่ ได้เริ่มปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนกลางดับไปพึงทราบว่านิโรธะส่วนกลางได้ปรากฏตัวขึ้นมาทุกส่วนละเอียดที่สุดได้ดับไปพึงทราบว่านิโรธะได้ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่นิโรธะก็มีหลายชั้นให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าอย่างนี้ไม่ใช่ว่า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 จึงไม่มีความผิดแปลกอะไรจากขั้งพฤริการเป็นปัจจุบันนาการอยู่เสมอภายในจิตใจของบุคคลผู้ที่ตั้งไว้ด้วยดีแล้วในครองแห่งธรรมะคำาอสอนของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้สามารถที่จะรับรู้ในสัจธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของมีอยู่ในตัวของเราโดยทางปัญญาได้เป็นลำดับําดับไปเมื่อเรามีความสามารถจกล้าในทางปัญญาจนรอบครอบทั้งภายนอก เข้าไปสู่ภายในรอบคอบจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอันใดเหลือคำว่ารอบครอบภายนอกนั้นหมายถึงรูปเสียงสลิ่นลดเครื่องสัมผัสรอบครอบได้ด้วยรู้เท่าเอาทันปล่อยวางมาได้ด้วยและเข้ามาสู่ภายในกาเวทนาของตนก็รอบครอบคือรู้เท่ากายเพราะอํานาจแห่งการพิจารณากายนี้โดยทางใจรักจนมีความ ช, มนชมนานิชานาญสามารถปล่อยวางได้โดย ท, ที่เคยถือว่า กายของเ่านี้เป็นเราเป็นของเราถอนจากความอุปทานความถือกายอันนี้เสียได้นี่เรียกว่ารอบเข้ามาอย่างนี้ปล่อยวางมาได้เป็นลำดับอย่างนี้นีส่วนเวทานาจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีกกดเฉยเฉยก็ดีสัญญาความจำได้หมายรู้ก็ดีสังขารความปรุงจะเป็นปรุงดีปรุงชั่วปรุงอดีตอนาคตหรือปรุงกลางๆขนาดไหนก็ตามท่านก็ทราบชัดว่านี่ก็เป็นสภาวะอนนันหนึ่งหนึ่ง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 ที่จะย่างซ่าเข้าไปถึงรากฐานแห่งวัตจักรคืออะไรคือความรู้อันนั้นเองความรู้อันนี้เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องมีเรื่องเต็มอยู่กับความรู้ประเภทนี้เพราะนั้นความรู้ประเภทนี้ท่านจึงเรียกว่าความรู้ที่เป็นวัตจักรองค์สําเร็จพระภูมิีพระภาคเจ้าได้ทรงวิภากวิจารณ์ในความรู้นี้โดยทางตรายักษ์ในส่วนธรรมที่ละเอียดที่สุดเรียกว่าอันนี้จังทุกข์ของอัตตาในความรู้อันนี้อย่างชัดเจนจนเห็นชัดว่าความรู้ น, นี้ก็เป็นตรายักษ์ เมื่อได้เห็นชัดแล้วความที่ถือมั่นยึดมั่นในความรู้ น, นี้จะมีได้ที่ไหนเล่าเมื่อเห็นเป็นอสราพิษได้ต้ย่อมขนัดตัดทิ้งทันที mm. เมื่อสนัดปัดทิ้งด้วยปัญญาแล้วความรู้อ น, นี้ซึ่งเป็นความรู้ อ, อวิชชาก็ขาดกระเด็นออกไปจากใจเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้ขาดกระเด็นออกไปแล้วเรื่องทั้งหลายที่เต็มอยู่กับความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องนี้ก็ขาดกระเด็นไปพ้อมๆกัน เมื่อความรู้ที่เต็มไปได้วยเรื่องได้ขาดกระเด็นลงไปเรื่องทั้งหลายจึงหมดไปะจะเห็นก็ตามได้ยินก็ตามไม่สืบปิ่นนิ้นดอันใดก็ตามจึงเป็นสัก์แต่วัคติริยาไม่มีเรื่องอันใดที่จะมาสัมผัสจิตใจให้รับความสืบทราบยึด ม, มั่นถือมั่นเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นต่อไปอีกแล้วเพราะเหตุใดเพราะความรู้ที่เต็มไปได้วยเรื่องหมายถึงความรู้ที่เป็นชาวิถะเป็นผู้บงการได้หมดสิ้นไปแล้ว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 ก็ซักแต่ว่าอาการนั้นนั้นเท่านั้นไม่มีเรื่องอันใดที่จะเกี่ยวข้องกับจิตของพระองค์เพราะเหตุใดเพราะจิตของพระองค์กลางเป็นจิตที่พ้นจากความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องแล้วเป็นจิตที่ไม่ใช่สมมุติแล้วจิตที่เป็นสมมุติหมายถึงจิตที่เต็มไปด้วยเรื่องหมายถึงอวิชชาความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชานั้นจึงจักว่เป็นความรู้ที่เต็มไปด้วยเรื่องเรื่องเจ้าโกรธก็ดีเรื่องเจ้โลภก็ดีเรื่องเจ้หลงก็ดีขึ้นอยู่กับความรู้อันนี้ทั้งนั้น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 เมตนาที่ปรากฏขึ้นมาก็ปรากฏขึ però, ้นมาเพราะอํานาจแห่งกิเลสตัณหาสัญญาจําขึ้นมาก็จําขึ้นมาเป็นเรื่องกิเลสตัณหาทางนั้นสังขารก็ปรุงเรื่องกิเลสตัณหาทั้งหมดวิญญาณก็รับรู้ในเรื่องกิเลสตัณหาอสุราทั้งหมดเพราะเหตุใดเพราะเจ้าวิชามันเป็นตัวมหาโจทย์เป็นเจ้าเรื่องเจ้ากิเลสตัณหารากเข้าแห่งกิเลสตัณหาอยู่ที่นั้นหมดทีนี้พอวิชาได้ดับไปเท่านั้นเพราะอํานาจแห่งปัญญา ที่เขียบแปลสามารถตัดขา ด, าดการะตกกรจาไม่มีในเหลือหรอแล้วขันตั้งห้านี้จึงกลายเป็นเครื่องมือของนา ก, กาศหมายถึงเป็นเครื่องมือของวิ ช, ชาบิโมตัตแต่ก่อนอวิชาเป็นผู้ที่ครองขันหานไว้เป็นบริษัทบริวารหรือเป็นเครื่องมือของตนทีนี้พออวิชานี้ได้สิ้นสุดหรือดับลงไปแล้ว นักราปที่ยอดเยี่ยมคือวิชามิมุตได้ผุดขึ้นมาที่นี่แล้วขันห้ากเรียกลายเป็นบริษัทบริวารหรือเครื่องมือของวิชาบิมุตอันนั้นไปเสียจียาของกายที่จะเคลื่อนไหวก็เป็นไปโดยธรรมเวฒนาถึงจะความสุขความทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในทางกายก็เป็นไปโดยธรรมไม่มีเรื่องสัญญาจำได้หมายรู้ก็จําไปโดยธรรม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 ปริวัตกลับเข้ามาท่องเที่ยวในสกลากายในตรายลักษ์ในสภาวะธรรมโดยเป็นหลักธรรมชาตินี่แล้วจึงได้ยกธงชัยขึ้นมาว่าพุทธโธอย่างเป็นดัวและก็นำมาประกาศให้บรรดาเราทั้งหลายได้ถือเป็นสรณะคือพุทธทางธรรมังสั้งทางเสนาขัาฉามิอยู่ะบัทนี้เกิดขึ้นด้วยพระองค์จทรงปริวัตเข้ามาสู่ภายในเรียกพโอปะนะมีโข ให้น้อมเข้ามาสู่ภายในพิจารณาให้เห็นชัดแจงแจ้งการข้ามโลกข้ามสงสารไม่ได้หมายข้ามที่ไหนโลกก็คือดวงใจที่เป็นอวิชชานี้ทั้งดวงสงสารทั้งสาระความต้องเที่ยวก็ดีก็หมายถึงกิตดวงนี้วัตจักรก็หมายถึงตัวหมุนตัวความรู้ที่หมุนเต็มไปด้วยเรื่องนี้เองเป็นเหตุให้หมุนโกเยนไปมา กรรมทั้งหลายจึงสืบต่อกันไปโดยลําดับเพราะธรรมชาตินี้ซึ่งเป็นตัวจักรดับใหญ่พาหมุนอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวจักรใหญ่ได้ถูกทำลายลงไปแล้วจักรเล็กจักรน้อยก็ถูกทําลายไปตามๆกันคอยถูกทําลายไปตามๆกันคิดหายผลปีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่เราได้ถอดถอนออกหมดทั้งล่าแม้กิ่งก้านสาขาจะมีมากม า, เายเท่าไรก็ตามก็เป็นเหตุที่จะต้องตายคิดหายผลปีไปตามกันหมดมีเรื่องอวิชาดับไปก็เป็นเช่นเดียวกันนั้น เหียดตัหาประเภทใดๆดับไปหมดไม่มีอะไรยวันนี้แสดงธรรมเทศนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายในลักษณะแห่งธรรมป่าล้นล้วนหากว่าไม่ถูกเจริตจิตใจหรือขัดข้อขัดข้องในหลักธรรมเป็นบางส่วนบางประการก็ดี ก็หวังมากคงได้รับอภัยจากบรรดาท่านที่ฝั่งทั้งหลายจึงขอยิดติดธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เองแต่ทราวนี้ไม่ทราบว่ากี่นาทีาตั้งอารมณมตั้งเป็อรร่มงั้นเหรอ ลามันจะเป็นเข้ามาเป็นเข้ามาเป้ามาเมื่อนอนยุ่งยุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมายุ่งขึ้นมาอะไรก็มาลมใจหมดอะไรก็ลูหมดอะไรก็ลูหมดอะไรก็ลูลู่เข้ามาลู่เข้ามาก็ยุ่งเข้ามายุ่งเข้ามาแล้วมัตกหัวลงไปที่ยุ่งแล้วมีแต่ลู่คนเดียวท่านัน นี่ก็เดยนเพิ้งกะมามั่ว่ามันจะมีมากมีน้อยแล้วมันก็เต็งลงได้หมดเลยนี่ก็ขึ้นนั่งเถอะอยู่เถิงแล้วแล้วไปถ้ามันนานเลยไม่เป็นเลยทุกวัน